มีความต ก, กทุกคนวันนี้ก็เป็นวันขึ้นส1เอ็ดค่ำเดือนแปดก็คงวันแปดค่ำเดือนส1บอ็ดแกะแล้วก็ลืมหน้าลืมหลังนกใกล้จะออกพรรษาแล้วเหลืออีกอยู่ไม่กี่วัน ออกฝนษาฝนฟ้าก็เริ่มคลายลงไปอากาศหนาวก็เริ่มเข้ามาวันนี้ก็เป็นวันที่คณะพับป่าจากทางธนาคารธนาคารอะไรนะธนาคารทิดโกสทุกสาขาทั่วประเทศว่างั้นจะผ่ากันรวมกำลัง มาทำพระป่าที่วัดของเราช่วงประมาณสามโมงกว่าพระเราก็นิมนต์นะนิมนต์ทุกองทุกองทุกรูปมาที่สลาหอฉันของเราทั้งขีดด้วยประมาณสามโมงครึ่งสามมงครึ่งทางธนาคารประมาณนักสา0รกว่าคนที่จะมาแล้วก็มีพระป่าจากทางบ้านหนองทุ่ม พระปะน้อยวันจะมารวบรวมมาช่วยการสร้างพระมหาเจดีย์ี่มาอย่างอนิรงใหญ่ให้เกิดขึ้นเห็นว่าถวายพระปะเสร็จก็จะได้ลงไปประชุมกันที่อุโบสดที่อุโบสถกลางน้ำไอ้พระเหลาก็เอารถมาใส่เอาเก้าอีทักตัวนะ ก็อีนวมทักตัวไปตั้งเอาไว้ที่อยู่ที่ตรงไหนกนะ็อีนวมาเอาใส่ไปตั้งเอาไว้ทักตัวหรือสองตัวพอได้ให้ได้นั่งกันน้ำท่วมก็คงจะลดหมดแล้วปีนี้น้ำท่วมอุโบสถน้ำท่วมสล า, ร, าริมน้ำน้ำหลักเข้ามาเยอะเอาไว้ไม่อยุอ น้ำหลากถนนเข้ามาแต่ก็ไม่ถึงกับท่วมมากมายส่วนการดำเนินส่วนการดำเนินพระมหาเจดีย์ก็ช่วยกันทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงจะได้ขึ้นเสาอีกไม่นานส่วนญาติโยมท่านใดปรารถนาที่จะเอาน้ำ ม, มาบริจาค ก, ก็เอามาได้นะ พ อ, อน้ําดื่มทางข้างล่างเห็นว่าหมดน้ําดื่มน้ําขวดไม่พอดื่มพอใช้กันมีโอกาสอยากจะเอาน้ํามาบริจาคทานก็เอาเข้าลงทานทางด้านลานมหาเจดีย์ได้เลยอีกสักหน่อยก็จะได้รวมพลังรวมพลังช่วยกันผูกเหล็กมัดเหล็กทั้งทางโรงเรียน ทางโรงเรียนก็รอให้ผลคลายซะก่อนก่ถึงจะได้วางรากฐานอาคารอาคารเรียนมาช่วยกันผูกเหล็กมัดเหล็กเห็นว่าผูกกันเสร็จรอตั้งแต่ให้ผลคลายสักน้อยก็จะได้เริ่มลงมือมีโอกาสเราได้สร้างบุญสร้างอานิสงส์ฝากเอาไว้ทุกที่มีโอกาสได้ช่วยทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ทําหลายจย่าง หลายอย่างมากทีเดียวทั้งกุฏิวิหารของพระก็ช่วยกันทำเกือบจะได้หลายหลังแล้วแหละทั้งทั้งทำทั้งเทถนนหนทางทั้งทุกอย่างให้ช่วยกันทั้งพระทั้งชีงานเยอะงานเยอะงานสมมติงานยังประโยชน์ให้กับกับทุกคนให้กับสหารที่เรามาช่วยกันทำ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันอยู่ที่ทํางานก็เหมือนกันให้ขยันมั่นเพียรให้มีความรับผิดชอบให้มีความเสยสละอย่างประโยชน์เอาไวา้พวกเราอยู่ก็ได้รับประโยชน์เมื่อพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้มาสานโตไม่ได้ลําบากให้เป็นกองบุญอันใหญ่ให้ฝากเอาไว้ในแผ่นดินโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิด อย่าไปงอมืองอเท้าให้ขยันบันเพียนแล้วก็รู้จักวิเคราะห์ใจของตัวเราด้วยแต่ละวันตื่นขึ้นมาใจไปอย่างไรใจสะอาดใจสงบใจปกติกิเลสเกิดขึ้นเราก็รู้จักละกิเลสอยากกิเลสละเอียดอะไรคือรูปอะไรคือนามพระพุทธองค์ท่านได้ทีแนแนวทางเอาไว้ให้ การจเจริญสติเป็นอย่างนี้การละกิเลสเป็นงี้กิเลสมีระดับไหนเล่ากิเลสอยากกิเลสละเอียดทันชี้บง่งแนวทางเอาไว้หมดเว้นแต่ว่าพวกเราจะดําเนินให้รู้ให้ถึงใจของตัวเราเองหรือไม่เท่านั้นเองหลังจากนี้ไปก็ผ่ากันไหวพระสมัทธาชินกันใช่ก่อนนะเอ า, เอาวางใส่ผ้าอะไรก็ได้นะคุนใหญ่ขุณโยม <c oughs> นำทองมาบริจาค เ, เพื่อที่จะทำยอดชัดมหาเจดีย์นี่ญาติโยมท่านใดปรารถนาที่มีทองคำ อ, อยากจะโน้มนำมาร่วมก็ขอเชิญมาบริจาคได้นะเพื่อที่จะมาหล่อหลอมทำชัดพระมหาเจดีย์เดี๋ยวนี้ก็ได้ร่วมกิโลกว่าแล้วแหละ ก็มีเท่าไหร่เราก็จะทําไปเท่านั้น <c oughs> มีโอกาสโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดพวกเรามีโอกาสได้มาสร้างบุญรวมกัน <c oughs> บุญทางสมมุติ <c oughs> เราก็ทําให้เต็มเปี่ยมทางวิมุติการขัดเก่ากิเลสการเดินปัญญาการแยกรูปเปียกนามตามแนวทางของพระพุทธองค์เราก็พยายามพากันทําอะไรที่จะเป็นบุญบุญไกลบุญไกลบุญประโยชน์สมมติวิมุติ เราพยายามศึกษาค้นคว้าขณะกำลังกายยังแข็งแรงอยู่ั้าหมดกำลังกายก็เหลือแต่บุญกับบาปเหลือแต่บุญกับบาปละในหลักธรรมท่านให้ละบาปสร้างบุญแล้วก็สูงขึ้นไปเดินปัญญาไม่ให้ยึดติดในบุญยกใจของเราให้อยู่เหนือทุกอย่างสนุกสร้างบุญใจก็เป็นบุญตัวใจนั่นแหละคือตัวบุญ ใจปราศจากกิเลสปราศจากความยึดมั่นถือมั่นใจก็บริสุทธิ์ใจไม่เกิดใจก็นิ่งเราพยายามทำความเข้าใจได้อานิสองส์อันยิ่งใหญ่ฝากเอาไว้ในใจของเราฝากเอาไว้กับสถานที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดก็ให้รีบทำน้อมกายน้อมใจเข้ามาอนุโมทนาสาธุ เห็นคนอื่นทำเราก็พลอยดีใจทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราอย่าว่าไม่ทำการดำเนินชีวิตนี่ตามแนวทางอาริยมรรคในองค์แปตามแนวทางของพระพุทธองค์น้อมใจเข้าไปในกองบุญกองกุศลอยู่ตลอดเวลาขยันหมั่นเพียรเป็นบุคคลที่มีความเสียสละเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาเราก็จะอยู่กับบุญน้องพ่อก็ขออนุโมทนาสาธุในอานิสงส์แห่งบุญของญาติโยมด้วยนะนะมีความสุขกัน <c oughs> วันนี้ทางธนาคารนะทิสโก้ก็จะมาร่วมรวมพลังาสาขาทั่วประเทศเห็นว่าจะมารวมกัน อยู่ที่วัดของเรามาร่วมมารวมกันทำพระป่าเพื่อที่จะยังมาช่วยกันสร้างประโยชน์สร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่นี่ได้มาปีนี้เห็นว่าตัดสินใจพิจารณามาหลงที่วัดของเราทุกปีก็ไปที่จุดอื่น มาปีนี้ก็เลยเห็นว่าวัดของเรากําลังก่อสร้างธระมาหาจดีก็ได้รวบรวมบริวารทุกที่ทุกจุดมารวม ร, ว ม, รวมทำพระ ป, ป่ากันประมาณช่วงสามโมงสามมงครึ่งขอนิมนต์พระเราทุกรูปมาลงสลากันทั้งคแุแไปชีด้วยญาติโยมด้วยเห็นว่ามีหลายหลายจุดอยู่ที่จะมาร่วมทำพระ ป, ป่า ก็เป็นอาณาสง์อันใหญ่เป็นบุญอันใหญ่ในระดับองสมมุติเรามาวางรากฐานบุญเอาไว้กับสถานที่เป็นบุญของทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นสมบัติของส่วนกลางเป็นสมบัติของส่วนรวมเพราะเรามีโอกาสมากก็ได้ทำมากมีโอกาส ก็น้อมใจเข้ามาอนุโมทนาสาธุในส่วนแห่งบุญเราก็ได้มีส่วนแห่งบุญนั้นๆด้วยจนกว่าใจของเราจะเต็มอิ่มจนกว่าใจของเราจะละกิเลสดับความเกิดได้หมดจดมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกัน บุคคลที่มีความเพียรบุคคลที่มีสติมีปัญญาดําเนินแต่ตามแนวทางของพระพุทธองค์ย่อมจะดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่ไม่ช้าก็เร็วตราบใดที่เรายังเดินอยู่ยังมีความเพียรอยู่ตราบใดที่ใจยังไม่หมดจด อ, นนนอนนนานิสง์ผลบุญอานิสงผลทานในสิ่งที่เราทํานี่แหละจะเป็นข้าวพวกข้าวพอติดตามตัวเราไป ทุกภพทุกชาติกายเนื้อแตกดับจิตปิญญาอย่างเกิดโตกเราต้องศึกษาเรื่องจิตปิญญาในกายของเราให้ละเอียดท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารในกองวิญญาณในขันห้าของเราให้รอบรู้ในโลกในโลกแล้วก็โล ก, กธรรมที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกายของเราในแหละก้อนโลกยืม ไปจิตวิญญาณไปยืมยืมดินน้ำลมไฟมาประกอบกันเข้าเป็นร่างกายมนุษย์แล้วก็มาอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์แล้วก็ไปต่อขณนะยังมีลมหายใจเขาก็ยังไปต่อความคิดของเรานั่นแหละความเกิดความดับของความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนมามธรรมนามธรรมมีอยู่สี่ส่วนทวนรูปธรรมมีหนึ่งส่วนก็อยู่ที่กายของเรา อย่างที่พากันสวดท่องทำบัดสวมดมนต์เย็นสวนมดมนต์เช้าก็อออกจากกายของเรานี้เลยไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยท่านถึงบอกให้ค้นคว้าจเจริญสติเข้าไปค้นคว้าเข้าไปพิจารณาเข้าไปอบรมใจของเราตลอดเวลาเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเราที่จะขัดเก้ากิเลสของเราเอง อย่าฟากันปล่อยวันเวลาทิ้งทุกลมหายใจมีคุณค่ามากมายมหาศาลส่วนออกพรรษาเสร็จก็ประมาณวันที่ส3าพฤศจิกายนตรงกับ 14, 5, 14 5, 12, บ้่ค่ำขึ้นส4บส่ําำเดือนสิบสองวันที่ส3บสามพฤศจิกายนที่วัดเราก็จะได้ ทำพิธีทอดถวายพระมาหากะถินกองใหญ่หลายจุดหลายส่วนมาร่วมมารวมกันเป็นกองกะถินมาหากะถินอย่างประโยชน์ไว้กับทหารที่ ก็ได้มีเจ้าภาพใหญ่คุณพ่อกำพลคุณแม่อับซอนซึ่งท่านก็อยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละ mm. ก็ได้มาป่ายณาทำกตินวายตั้งแต่หลายปีแล้วแหลยปีนี้ท่านก็ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่นีห่หลายคนหลายท่านก็ป่ายนามาเป็นเจ้าภาพร่วมทางโรงแรมโคซาก็มาปวายนาเป็นเจ้าภาพร่วม ทางส k มเควบตเตอรี่และก็หลายจุดหลายคนหลายท่านที่มาภาวนาเป็นเจ้าภาพร่วมอยาิโยมท่านใดปรารถนาที่อยากจะมาเป็นเจ้าภาพร่วมก็ขอเชิญได้ตลอดเวลานะวันงานกระถินนคงเรากองเล็กกองน้อยก็มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่หมดชาวบ้านของเราก็เหมือนกันเอาคนละต้น เอากฐินคนละต้นต้นเล็กต้นน้อยก็มารวมกันึก็จะเป็นบุญกองใหญ่ในวันข้างหน้าหลวงพ่อก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆส่วนกฐินปีหน้าก็มีคุณหม อ, อ, อทางกรุงเทพท่านได้ประวนาจองอเอาไว้ก็ดังมีญาติโยมที่จองเอาไว้ที่จะสร้างมหากฐินปีหน้าอีก ปีนี้เสร็จก็ยังมีผู้จองร อ, อยุ่ น, นี่แหละอนุภาพแห่งบุญอนุภาพแห่งบุญไม่ไปไปที่ไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่ไปที่ไหนก็มีตั้งแต่ความสุขความเจริญให้ไล่เรียงลงไปจนกว่าจะถึงจุดหมายคือการไม่กลับมาเกิดกันฝากกันตั้งใจละผ่อนกันก่อน <c oughs> เฮธะวะวะฮาปูราปะริปุเรนติสาขาลังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกะปะติอิชิตังปัชชิตังตุมหังกิปะเมวะสมิสโตุสัพเพปุเรนตุจังกะปา ดนโผล่บรรสยถามิโชติรโสยะทเอี่ยนจนดูสานบรุคุณเตมภววันดาเอีย สุขีธีไขุกุภาวะภิวานฤทธานิตจังวุฎาปจายนจัตตารุธรรมาวติอายุอันสุขัง อนจักขุทักขินาเทนามิสุปฏิติตรีค so รัตังิจายสถนสุปักกา ติทามโมจะอยังนิทัสิโตเปตานปูชาจักตาอุลาลา อนามโนปทินังตุมมปัญญบาสุตังอนาปกรณในภพวุธสาวะมังคะลังตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสธาสุทธิภวัน พาวันตุสัมภะมังกาลังละกัตุสัมภะเทวตามานุพาวนัสทอนสุติพาวันตุเตมพวันตุสัมภะมังกาลังตุสัม ราเทวะตาสัมภังคานุปวนณาสัทโสติอันตุเตอขอให้ญาตโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติ สร้างความรู้สึกระเบิดทำพัดของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งอดทนนั่งอดทนต่อทุกขเวทนาทางด้านร่างกายต่ออีกสักนิดนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายนี่ไม่ต้องปนมือฟังไปด้วยน้อมทำเนียกไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจนะถ้าเราบังคับลมหายใจเนี่ยอึดอัดทันทีถ้าเราเอาสมองส่วนบนไปจดจ่ออยู่ที่ปลายจมกูกสมองก็จะตรึงถ้าเราเอาใจไปจดจ่อที่ปลายจมกูกหน้าอกก็จะแน่นเราเพียงแค่มีความรู้สึกรับรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็พ่นลมหายใจออมาโยกยาวความมึดคิดปุงแต่งต่างๆก็จะหยุดความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจ ม, มูกก็จะชัดเจนความรู้สึกตัวนี่แหละเขาเรียกว่าจเจริญสติรู้กายเราพยายามหัดสังเกตหัดสร้างความรู้ตัวทั้งต่ตื่นขึ้นแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องทั้งลมหายใจเข้าหายใจออกเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมจาก หครั้งสองครั้ง3าครั้งเป็นนาทีสองนาทีสานาทีความสืบต่อความต่อเนื่องให้มีให้เกิดขึ้นส่วนการเกิดของใจหรือว่าความคิดเดิมนั้นเขามีอยู่แล้วบางทีเขาก็ขณะเรามีสติรู้ตัวอยู่ใจก็จะปรุงแต่งส่งไปภายนอกเราก็จะเห็นเราก็รู้จักดับรู้จักหยุดรู้จักอบรมอบรมใจของตัวเอง แล้วก็บางทีมีความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดมันผลขึ้นมาใจของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมเองถ้าเรามีความรู้ตัวที่ต่อเนื่องเราอาจจะเห็นตรงนั้นถ้าเรารู้ทันตรงนั้นใจก็จะดีดออกจากความคิดใจก็จะหงายขึ้นมาเหมือนกับเราหงายของที่คว่ำซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามอันนี้เห็นตรงนี้ใจคลายออกจากความคิดใจก็ว่างกายก็โลง่ง ความรูต้ตรวจที่เราสร้างขึ้นมาตามดูเห็นความเกิดความดับของความคิดเห็นความเกิดความดับของขันห้าส่วนมากเราจะไม่เห็นส่วนมากใจกับอาการของใจเขารวมกันไปแล้วเราถึงรู้ว่าเราคิดแต่เราไม่เห็นตั้งแต่ต้นเหตุนในหลักธรรมถ้าไม่รู้ตั้งแต่ต้นเหตุท่านให้ใช้สมถะเขาไปดับเขาไปดับอยู่กับลมหายใจบ้างดว้วยคำบริกรรมบ้าง พยายามทำความเข้าใจบ่อยๆความรู้ตัวพังเพลอิ่มใหม่ความรู้ตัวพังเพลอิ่มให ม, ม, ม, ใหม่จนเกิดความเคยชินทุกริยบท่วนศรัทธานั้นทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมปักไปในบุญอยากจะได้บุญอยากจะรู้ทำความอยากที่เกิดจากตัวใจเขาก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไว้เสียแล้วในหลักธรรมท่านให้จเจริญสติท่านให้สร้างสติเข้าไปดูเข้าไปรู้ถ้ารู้ไม่ทันต้นเหตุท่านก็ให้ดับให้หยุด จนกว่ากำลังใจของเราอ่อนลงกำลังสติมากขึ้นจนกว่าใจคลายออกตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้ ตามเห็นการเกิดการดับท่านถึงบอกว่ารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณรอบรู้ในโลกธรรมกายของเราทําหน้าที่อย่างไรทวานทั้ง6ทําหน้าที่อย่างไรสติคอยดูรู้ใจให้ปกติรับรู้อยู่ภายในไม่ให้เกิดความเกิดนั่นแหละคือความหลงอันลุ่มลึกในทีเดียวถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดแล้วก็ใจก็มาสร้างกายเนื้อมาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวแล้วก็มาหลงมายืดว่าเป็นของเราจริงๆ ถ้าเราแยกแยะได้ตามดูรู้เห็นได้ก็เป็นแค่เพียงภาพของมายาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมายาหมายถึงไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนเราพยายามวิเคราะห์ตามแนวทางของพระพุทธองค์เราก็จะรู้เห็นแนวทางชีวิตของเราการละกิเลสยาพิเลสละเอียดมีกันทุกคนเราจะละได้หมดหรือไม่หมดก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของเราก็าต้องพยายามนะความตายนนเนี่ยไม่ได้เลือกการเลือกเวลาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ ฝากกันมารับเอาโลงทุกวันวันละโลงบางสองโลงบงางหลวงพอก็ขอขอบคุณโยมที่เอาโลงมาถวายให้ด้วยสมโลงเมื่อวันวานเมื่อวา น, อวานเอาโลงศบมาถวายใ ห, าาายให้แล้วก็มีคนมารับไปแล้วหนึ่งหลง นี่แหลอยายมท่านใดปรารถนานะอยากจะเอาลงมาร่วมทําบุญด้วยก็มาหรือว่าอยากจะามาถวายซื้อเครื่องสังฆทานมาไว้ให้กับคนตายก็ที่ลานขายเครื่องสังฆทานก็จัดทางผาดไตทางผ้าขาว ท, ทั้งทูบทั้งเทียนมามอบเอาไว้ให้เป็นการทําบุญรงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ให้กับผู้ไายชนผู้คนตายที่ให้มานี่ก็ประมาณหกรสศพพอดี นี่แล้วก็ ช่วยบริจาคให้อีกด้วยช่วยทำบุญในงานศพอีกศพละห่าัดทั้งโลงทั้งภาดใจนี่แหละคนตายเราก็ได้ทาบุญบุญทางสมมุติเราก็ได้ทำช่วยเหลือพี่น้องของเราส่วนการสร้างบุญสร้างประโยชน์ต่างๆเราก็ช่วยกันทำทั้งกติวิหารของพระคุณเจ้าทั้งพระมหาเจดีย์ทำทุกอย่างที่จะเป็นบุญฝากเอาไว้ให้ในแผ่นดินฝากเอาไว้กับสถานที่โอกาสเปิดการก เวลาเปิดสถานที่เปิดพวกเรามีโอกาสมากก็ได้ช่วยกันมากอย่าพากันทิ้งบุญบุญเล็กๆในน้อยล้วก็ค่อยสร้างสะสมไปทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราคนอื่นทำแล้วก็ปล่อยอนุโมทนาสาธุด้วยเราก็มีส่วนแห่งบุญส่วนการเจริญภาวนาทำความเข้าใจคัดเก้ากิเลสเราก็อย่าไปทิ้งตั้งแต่ตต่นขึ้นมา ทำความเข้าใจคําว่าปกติเป็นอย่างไรีคําว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นลักษณะอย่างไรคําว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องสร้างขึ้นมาไม่เรือวิสัยหรอกกิตใจของคนเราสอนได้ไม่ใช่ว่าสอนไม่ได้ี่มันพัฒน์สอนตัวเราแก้ไขตัวเราทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางการสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องกันสักนิดนึง ่ะปากันไปพระพอมๆกันค่อยไปสร้างสาลโตทำความเข้าใจนะ